อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาสัพพังรัถังสุขังเสตีราชาเจโหติธรรมิโกติอีนะบัดนี้ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในธรรมิกมหาราชกถาว่าด้วยเรื่องมหาราชผู้ทรงธรรมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมกุศลที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นประสบนิกรไม่นิ่งนอนใจ ได้พร้อมใจกันร่วมใจกันเลยตั้งใจมาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้เพื่อร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศล ส, สำคัญปารกงานสิรการพระภูบาล น, นวมินที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นการประกาศ ความจงรักภักดีที่มีอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายว่าไม่มีวันเสื่อมคลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมารำลึกนึกถึงว่าวันนี้คือวันที่สิบสามตุลาคมเป็นวันที่พ่อหลวงได้สวรรคต เรื่องนี้ยังปรากฏอยู่ในจิตใจของเราทั้งหลายแม้พระองค์จะเสด็จลับแหลมไปไกลแต่ว่าในใจของท่านยังลํำลึกนึกถึงพระองค์ทุกคืนวันจึงได้มาประชุมพร้อมกันมารวมตัวกันเป็นวาระเป็นวาระ วาระใดที่ท่านทั้งหลายเห็นว่ามีความสำคัญเช่นวันนี้ท่านก็สละทุกสิ่งทุกอย่างมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงประคุณอันประเสริฐผู้เป็นที่รักยิ่งของเราทั้งหลายจึงเป็นเรื่องอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งผ้าเป็นความจงรักภักดีนี้แม้นจะปรากฏแด่พระองค์ด้วยพระราชยานวิถีทางใดก็จะทรงทำให้ปราบรื้มในพระราชฤไทย ที่ประสบีิกรชาวไทยทั้งปวงยังมีความรักจริงมั่นคงในใจมีความอะไราด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณมันเป็นร่นพน้นจางหาที่สุดไม่ได้พิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศล น, นั้น มีสาระสำคัญเริ่มตั้งแต่ต้นวันคือภาคเช้าเรื่อยมาจนถึงบัดนี้มีรายละเอียดดังท่านทั้งหลายได้รู้อยู่แล้วในขณะนี้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสริมเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นบุญมากขึ้นเสริมกุศลให้มีกำลังมากขึ้น เรียกกันว่าทำมากก็ยิ่งเป็นบุญมากเป็นกุศลมากนอกจากจะทำมากแล้วยังทำบ่อยๆทำทุกเวลานาทีสำหรับวันนี้ตั้งแต่ตีห้ากว่าเป็นต้นมามาจนถึงขณะนี้ไม่เว้นสักนาทีก็ว่าได้ทุกท่านได้พร้อมใจกัน บำเพ็ญกุศลอันมีประการต่างๆเช่นตักบาตรถวายพระสงฆ์เป็นร้อยรอยรูปนอกจากนั้นก็มีการทำทานแก่ผู้ที่มาร่วม ง, งานทั้งหมดไม่ให้หิวไม่ให้อดให้ทุกท่านที่มาอยู่ณที่นี้ในบริเวณนี้ได้มีความปราปรืมปีติยินดี ไม่ให้มีความหิวกระหายแต่อย่างใดรวมมาถึงในขณะนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ตั้งใจฟังธรรมกันการฟังธรรมนั้นมีจุดประสงค์อย่างไรอาจจะมีความคิดต่างกันแต่ว่าการฟังธรรมในขณะนี้มีวัตถุประสงค์จงใจให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดเป็นสามประเด็นด้วยกัน ว่าการฟังธรรมในวันนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ตั้งใจฟังย่อมจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนประการหนึ่งฟังไปจะได้ความรู้ 2. ฟังไปจะได้ดูดีชั่วประการที่สฟังไปจะได้เรื่องตัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งสามประการนี้จะเกิดมีได้ก็เพราะอาศัยความตั้งใจเป็นสำคัญแต่ว่าความตั้งใจเสียเมื่อไหร่ประโยชน์ทั้งสามประการก็อาจจะสูญเสียไปพูดตรงๆก็คือว่าไม่ได้รับสาระอย่างที่ว่ามานี้การทำความดีนะัต้องทำด้วยความตั้งใจความตั้งใจ จะมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวกากับเรียกกันว่าต้องฟังอย่างมีสติอะไรก็ตามมันทำให้เสียสติเราจะต้องป้องกันสิ่งนั้นไว้เสียถ้าว่าคนฟังทำส่วนใหญ่ที่ฟังไปแล้วไม่ได้รับสาระจากการฟังก็เพราะว่ามีพยามานมากวนคนฟัง ผู้ฟังส่วนใหญ่ฟังไปไม่เคยได้รับสาระได้รับไม่เต็มที่เพราะไปเสียทีพยามานเซนี่พยามานที่จะมากวนท่านผู้ฟังมีอะไรบ้างมักจะมีลักษณะสามอย่างอย่างแรกก็คือว่าชอบหลับไหลในขณะฟังธรรมพระขึ้นธรรมร ท่านสาธุชนยังไม่ได้ฟังพระพูดอะไรเทศอะไรหลับตาเสร็แล้วความหลับไหลมันก็เลยมาเคลิบเคลิ้มไปหวังว่าวันนี้คงจะไม่มีอย่างที่ว่านะฉะนั้นความหลับไหลเป็นภัยเบื้องต้นของการฟังประการต่อมาถ้าไม่หลับไหลลืมตาอย่างนี้แต่ใจลอย รอยไปหาเรื่องนั้นรอยไปหาเรื่องนี้เพราะคนเรานั้นมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องกังวลที่จะเอาความชนะแต่ที่จะเอาชนะความกังวลทําได้ยากนั้นส่วนใหญ่ก็มีความกังวลใจแล้วที่กังวลว่าพระอาจจะเทศนานไปก็มีเหมือนกันเป็นความกังวลทั้งสิ้น หลับไหลใจลอยก็ไม่ว่ากันพยามาณตัวสุดท้ายอันตรายนักมีทุกงานกวนได้ทุกคนพยามาณตัวที่ว่านี้คืออะไรหลับไหลไม่เท่าไห่ใจลอยไม่เท่าไหลแต่ว่าคอยดูลายีม่มีเกือบทุกลายเลยไม่เคยฟังพระเทศแล้วครับ คอยดูลายใครจะส่งลายมาบ้างข้อความที่จอโทรศัพท์จะว่ายังไงพระเทศก็เทศไปฉันก็จะอ่านลายกอฉันไปแล้วในที่สุดก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับสาระนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็เห็นทีว่าจะต้องปลุกให้ท่านทั้งหลายกำกับจิตใจเอาไว้ให้ดีกันก่อน เพราะจุดประสงค์ของการฟังธรรมนั้นต้องการจะประมวลเป็นบุญกุศลก้อนใหญ่แล้วเราจะได้น้อมถาวายเป็นพระราชกคุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราเรามีเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องฟังกันให้ดีๆหน่อย พอฟังกันให้ดีแล้วก็มีสาระเกิดขึ้นได้ประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสามประการหนึ่งก็คือได้รับความรู้สองได้ดูดีชั่วประการที่สามฟังทำนำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากภัยอันตรายที่ตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญอยู่อย่างบางท่านติดกับของความโกรธโกรธใครสักคนหนึ่ง โกรธจริงโกรธจังโกรธเ ท, ท่าทำทำเท่าไหร่ก็ไม่หายโกรธแต่พอฟังพระเทศแล้วเริ่มคิดได้แล้วบอกใจตัวเองว่าตั้งแต่เบ็ดนี้เป็นต้นไปจะไม่โกรธแล้วโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธ ด, ดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่เตือนใจตัวเองแลเลิกโกรธได้เหมือนกันอย่างบางคนนี่ กำลังติดกับข้องความหลงหลงทุกอย่างที่ตัวเองเนี่ยเกิดความนิยมชมชอบบางคนก็หลงละครหลงจนอยู่บ้านไม่ได้เช่ารถไปถึงนูน่นจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดนู่นแล้วผลทุท้ายก็ไปมีปัญหารถเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิด ความทุกโศกเสียใจมานำความทุกโศกเสียใจมาให้ครอบครัวอย่างนี้ก็มีตกเป็นธาตุของความหลงพอได้ฟังพระธรรมเทศนาหูตาก็สว่างมีกำลังปัญญาพอที่จะตัดได้ตัดความรักในเรื่องต่างๆนั้นได้พอมันตัดได้หักได้เรื่องที่ยากก็กลายเป็นเรื่องที่ง่าย อันธรรมดาความรักในสิ่งใดๆมันหักใจได้ยากดังที่ท่านสุนทรพูดท่านกล่าวไว้ว่าจะหักอื่นคืนหักสุดจักได้หักอะไรนี่ไม่รุดสุดจะหักสารพัด ต, ตัดขาดประัดนักแต่ตัดรักนี่ไม่ขาดประัดใจที่ตัดไม่ขาดเพราะว่าใจไม่มีกำลังพอได้ ฟังพระธรรมเทศนาเกิดความกล้าขึ้นมาตัดใจออกจากสิ่งที่เป็นโทษได้ไง่ายนี่ก็เป็นประโยชน์อันเกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสํารวมใจฟังเทศกันเถิดเพื่อให้เกิดความคิดดีๆต่างๆเกิดความสว่างภายในจิตใจของเราการที่ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ อันมีประการต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นมาจนถึงขณะนี้คือการรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดเป็นมหากุศลสสำคัญเราจะได้ตั้งจิตน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราทั้งหลายการที่เราทำเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของท่านมีกระตัญญูและรึกรู้ถึงพระคุณต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อเราทุกท่าน อันว่าความดีที่ผู้ใดก็ตามได้กระทาลงไปในรูปแบบต่างๆนั้นต้องเกิดจากใจที่มีคุณธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมดังคำพระบาลีที่ได้ยกไว้ในตอนต้นว่าสัพพังรัฐถังสุขังเสติเป็นต้น ซึ่งแปลความว่าถ้าพระราชาทรงธรรมบ้านเมืองก็มีร่มเย็นเป็นสุขขอให้ท่านทั้งหลายลำลึกนึกดูว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่เก้าในวันที่มีพิธีบรมราชาพิเศษ วันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราชสอง3สาณพระที่นั่งไยศาลทักษิณขอให้ท่านสาธุชนหลับตานึกถึงเหตุการณ์ลำรึกนึกถึงภาพก็ได้ภาเพเหตุการณ์ในวันที่พระองค์เสด็จขึ้งครองราชและต่อมา ก็มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณในขณะที่พระองค์ประทับในพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระมหาสเสวตฉัตรพระองค์ได้ประกาศประมบรมราชโงการ ซึ่งท่านสาธุชนคงจำกันได้ใจความว่าอย่างไรว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นปฐมบรมบราชโองการขอให้ท่านสาธุชนน่ท่องจำ ปฐมบรมบราชโองการนี้ไว้ให้ดีอาตามะถือว่าเป็นพระธรรมกำกับจิตใจเอาจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนทั้งประเทศไม่เว้นชาติศาสนาไหนไม่เว้นเพศใดไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ลูกเหล็กเด็กแดงได้รับประโยชน์จากพระองค์โดยทั่วถึงกันน้ำประทยของพระองค์นั้นเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรม เช่นทรงมีความเมตตาปราถนาความสุขให้เกิดเกิดทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นชีวิตสัตว์พระองค์ทรงศึกษาสอดส่องมองดูทั่วทรุกเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้ถือเป็นแบบฉบับให้กับตัวเองเป็นแบบอย่างให้กับตัวเราเอง เป็นแบ บ, แบบแผนในการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วยจากการศึกษาพระราชประวัติของพระองค์นั้นอ่านทีไรก็ไม่รู้จักเบื่อฟังที่ไหนก็ไม่เบื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานี้มีทางวัดนิมนต์ไปเทศเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่แหละ เทศเท่าไรก็ไม่เบื่อยิ่งเทศก็ยิ่งจะมีความสุขไม่เหมือนไปเทศเรื่องอื่นๆงานอื่นๆบางทีเทศไปใจก็เกิดท้อแต่ว่าเทศเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสุเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือในหลวงของเรานี่เทศไปจิตใจมีความสุขจำรึกนึกว่าน้าประทัไทยที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตา เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาว่าเปลี่ยนอย่างไรวิธีการก็คือว่าควรที่จะได้ลำลึกนึกถึงพระบรมชายารักในพระอิริยาบทต่างๆพระจริยาวัดต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไปนีพระราชกรณียกิจต่างๆนีที่พระองค์ทรงมีพระอุสาหะ บำเพ็ญไปเพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้นเป็นภาพติดตาจะยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายก็ค่อยนึกตามไปนะดังที่ว่าว่าผู้ที่จะนึกได้นั้นก็คือต้องตั้งใจนึกถ้าเคลิมไปใจลอยก็นึกไม่ได้ ลองล้ำลึกนึกไปท่านเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปีแรกที่พระองค์ทรงครองราชคือปีพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับไปศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปีนั้นคือวันที่ห้าธัานวาคมพระองค์ก็ได้เปิดจัดให้มีมีงานทานเรียงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระตำหนักวิน ล, ล่าวัฒนาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีวงดนตรีมาแสดงในคืนนั้นด้วย แล้วในคืนนั้นพระองค์ทรงเสนอเพลงใหม่เพลงหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า H.M. Blue แต่ในวันนั้นพระองค์ให้ทุกคนที่มาร่วม ง, งา น, นได้ทายชื่อเพลงแล้วหมายถึงอะไรวิธีการของพระองค์ก็ให้ทุกคนเนี่ยที่จะเขียนคำตอบ บอกชื่อเพลงว่าเพลงอะไรเนี่ยต้องมารับกระดาษจากเจ้าหน้าที่การมารับกระดาษไปเขียนคำตอบว่าเพลงอะไรนั้นจะต้องเสียประมาณครึ่งฟังว่างั้นนะทุกคนก็มาจ่ายเงินแล้วก็มารับกระดาษไปแล้วก็เขียนเป็นการตอบคำทาย HMBU หมายความว่าอย่างไร ท่านเล่าว่าไม่มีใครทายถูกเลยผิดหมดทุกคนก็ทายว่านี่คงจะหมายถึงเพลงบูของพระเจ้าอยู่หัว His มา j e ต t y บูคงจะหมายถึงอย่างนั้นแต่เมื่อฉเฉลยแล้วทุกคนจึงรู้ว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น H.M. Blue หมายความว่าเป็นเพลงบูของผู้ที่หิวโหยเป็นอันว่าผู้ที่มาบริจาคซื้อกระดาษไปเขียนคำาทายนั้นเงินก้อนนั้นทั้งหมดเอาไปไหนพระองค์ทรงเริ่มตั้งเป็นกองทุนมูนิทิเพื่อส่งเคราะคนยากไร้ นึกถึงน้าพระไทยพระองค์แล้วทราบซึ้งใจมากขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยแล้วรึกนึกถึงโดเทว่าจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนในโรคนี้ที่ทรงมีน้ําใจไมตรีตอบประสบนิกกรของพระองค์มากมายถึงขนาดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ศึกษาที่นั่น แต่ว่าใจละรึกนึกถึงประชาชนชาวไทยทรงขนขวายทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเขเรานั้นมีชีวิตดีขึ้นนั้นการลํารึกนึกถึงไปในธรรมนองนี้จะทำให้จิตใจเขเรามีความปราบปลื่งปีติยิ่งมีความรักมีความอารในพระองค์ยิ่งขึ้น ลับลึกนึกถึงภาพต่างๆที่มีปรากฏปรากฏอยู่ตามวัดปรากฏอยู่ตามสำนักงานต่างๆพระจริยาวัดต่างๆมีอยู่หลายภาพคอยเรานึกดูโดยเฉพาะอาตามะนั้นลักภาพในคราวที่พระองค์ทรงพนวดมาก เป็นพระบรมฉ า, ายารักณ์ที่อาตมารักมากทราบซึ้งใจมากเก็บไว้เกิดจะทุกภาพภาพในวันที่อยู่ในพระราชพิธีทรงผนวดภาพที่พระองค์ได้เสด็จออกจาริกบินทบาทโปรดประชาชนเวลาเช้าภาพที่พระองค์เสด็จลง ทรงไหว้พระสวดมนต์เรียกวทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเก็บภาพต่างๆไว้แล้วก็ดูอยู่เรื่อยเป็นการเตือนจิตสกิดใจให้ตั้งอกตั้งใจทำความดีตามพระองค์นอกจากจะมีความประทับใจในพระบรมฉายารักเหล่านี้แล้ว โดยเฉพาะภาพสำคัญภาพหนึ่งซึ่งเห็นทีไรเป็นการเพิ่มพลังใจให้กับตัวเราเองเพระบรมฉายารักที่มีพระเสโทไหลลงมาติดตรงปลายพระนาศิกก็ เ, เป็นการบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงงานอย่างหนักทรงเหน็ดเหนื่อยมาก เพื่อต้องการจะเอาชนะความทุกข์ยากอันเป็นศัตรูที่สำคัญของบ้านเมืองเราประชาชนยากจนประชาชนยากไร้ถือว่าเป็นภัยที่สำคัญและพระองค์ประทรงต่อสู้กับภัยทั้งหลายเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดมองเห็นพระบรมชายาลักษ์เหล่านี้แล้วประทับใจมากทราบซึ้งใจมาก ทำให้เกิดกำลังใจในการทำความดีนอกจากจะมองดูพระบรมฉายารักณ์อันเป็นภาพที่ประทับใจแล้วขอให้เราสนใจพระบรมบราโชวารของพระองค์ซึ่งเป็นคำสั่งสอนเหมือนพ่อสอนลูกเริ่มตั้งแต่คุณธรรมสี่ประการ ที่พระองค์ตัดเท้ประชาชนได้ยึดมั่นคุณธรรมสี่ประการเช่นมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงต่อกันอย่างนี้เป็นต้นคือทรงสอนให้เรามีสัจจะทำอะไรก็ทำอย่างจริงจังไม่ทำาละแหละเหมือนกับพระบรมราโชบายของล้นเกล้ารัชกาลที่สิบก็เหมือนกัน ที่พระองค์ทรงมีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเน้นทำความดีด้วยหัวใจกันทำจริงทำจังไม่หวังอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการทำดีด้วยหัวใจทั้งหมดที่อาตมะเสนอสาระมาชี้แจงแสดงนี้เป็นส่วนน้อยนิด เพื่อต้องการเตือนจิตสกิจใจเราท่านทั้งหลายว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาหภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลกแม้พระองค์จะสวรรคตไปแล้วหนึ่งปีแต่ประชาชนชาวไทยไม่ควรรืม สิ่งดีๆที่มีอยู่ที่ชี้แจงแสดงมานี้อย่าได้ลืมจดจำแล้วนำไปกระทำทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเราทราบแก่ใจกันอยู่แล้วการชี้แจงแสดงธรรมเทศนาในวันนี้เป็นเพียงการฟื้นฟูให้ลํำรึกนึกถึงพระเกียรติคุณความดีต่างๆ ซึ่งเราทั้งหลายทราบกันอยู่แล้วขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ณที่นี้ได้ตั้งอกตั้งใจทำความดีตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นด้านหนึ่งด้านใดก็าตามขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจทำความดีไปตามนั้น เรียกกันว่าเป็นการเดินตามรอยปฏิบัติตามหลักของพระองค์เมื่อประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในพระองค์อย่างแท้จริงดังในยะที่ชี้แจงแสดงมาเทศนาปริโยสานีในวาสารการไปที่สิ้นสุดรงแห่งพระธรรมเทศนา อิมินากะตะปุลเยนะขอเดชะอำนาจกุศลที่ประสกนิีกรทุกท่านทุกคนได้พร้อมใจกันตั้งใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปอยู่ในบัดนี้ขอจงสำเร็จเป็นกุศลบุญเยราศีอำนวยช่วยให้เกิดทิพยสมบัติแด่พระองค์ แม้นมีความประสงค์จงใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นประโยชน์แล้วใซ่ขอให้พระราชประสงค์สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายาพบให้สมดังพระราชปรารภทุกประการ เทสนาบรรหารดังชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทสนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้